พระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วได้กึ่งเดือนพักอยู่กับพระาศาสดาณถ้ำสุกระขาตาบนภูเขาคิชกูดเขตเมืองราชครื้นั่นเองปริพาชกผู้หนึ่งชื่อธีคานักขะอคิเวสณะโคดผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเที่ยวเดินตามหาลุงของตนมาพบพระสารีบุตรกำลังอยู่ถวายงานพัดพระาศาสดาอยู่เกิดความไม่พอใจจึงกล่าวขึ้นว่า พระโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดพราดาคำกล่าวทํานองนี้เป็นการกล่าวกระทบเป็นเชิงว่าเขาไม่พอใจพระศาสดาผู้ให้พระสารีบุตรลุงของเขาบวชเพราะพระศาสนาก็รวมอยู่ในคําว่าสิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนนาวรณญาณทรงแตกฉานในถ้อยคําภาษาและความหมาย ตรัสตอบว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านท่านควรจะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นเสียด้วยพระดำรับตอบของพระาศาสดานั้นเรียกว่าถึงใจเป็นอย่างยิ่งทีฆานะขะไม่รู้จะตอบโต้ประการใดจิมก้มหน้านิ่งอยู่พระตถาคตเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าอคิเวสนะสมณพราหม์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจหมดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราเราชอบใจหมดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางสิ่งควรแก่เราเราชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจอคิเวสณาทิฏฐิของสมณะพราหมณ์พวกแรกเอียงไปทางความเกลียดชังสิ่งทั้งปวงทิฏฐิของสมณะพราหมณ์พวกที่สอง เอียงไปทางความกำนัดรักใคร่สิ่งทั้งปวงทิศฐิของสมณะพราหม์พวกที่สามเอียงไปในทางกำนัดยินดีบางสิ่งและเกลียดชังบางสิ่งผู้รู้พิจารณาเห็นว่าถ้าเราถือมั่นทิศฐินั้นอย่างหนึ่งอย่างใดกล่าวว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นหาจริงไม่ก็ต้องถือผิดจากคนสองพวกที่มีทิศทิไม่เหมือนตนครั้นถือผิดกันขึ้นการวิวาเทเถียงกันก็มีขึ้น ครันวิวาทกันมีขึ้นการพิคาดมาตหมายก็มีขึ้นเมื่อความพิคาตมีขึ้นการเบียดเบียนกันก็มีขึ้นผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้วย่อมละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ทําทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นด้วยครั้นแล้วทรงแสดงอุบายแห่งการละความยึดมั่นถือมั่นว่าอคิเวสนาะกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ําลมไฟมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด จเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อการกลิ่นเหม็นต้องขาสีมนทินอยู่เป็นนิดมีความแตกรกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลําบากชมรุดสุดโทมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตน เมื่อพิจรารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์มีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการต้องประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้ มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกทรมานเหลือเกินเพื่อกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประครบประงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระาศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันทั้งๆ ท, ที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยของงามน่าอภิรม์ชมชื่น ยื้อแย่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้คร่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้เพราะติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแกต่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิด หอหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่าลูบคลำสัมผัสแต่อันที่แท้แล้วความสวยงามสิ้นสุดแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักกันเหมือนจะเกลืนกินคงวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปลอเปื่อนด้วยฝุ่นและเหงื่อใคร ต้องคอยชำระขัด ส, สีอยู่เนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัด ส, สีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่รังเกียจแนงหนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคํานึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ดูก่อนอคิเวชนะพระศาสดาตรัสต่อไปอันหนึ่งเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อใดบุคคลสวยสุขเมื่อนั้นเขาไม่ได้สวยทุกข์และอุเบกขาเมื่อใดสวยทุกข์เมื่อนั้นไม่ได้สวยสุขและอุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาทั้งสามอย่างไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไปดับไปเป็นธรรมดาสาวกของพระอริยะฟังดังนี้แล้วเมื่อเห็นตามอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมดุจผลจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อผลแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว ผู้พ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่วิวาสทุ่มเถียงกับผู้ใดด้วยทิฐิของตนโวหารใดเขาพูดกันอยู่ในโลกก็พูดตามโวหารนั้นแต่ไม่ถือมั่นด้วยทิฐิท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สําคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น แต่สถิตยอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพรอรำพันส่วนคนที่ศพสุขเล่าก็เพลินในความสุขด้วยสําคัญมั่นหมายว่าสุปเปอรแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาดวงจันทร์ในขันน้าจึงคว้าเอาก็คว้าถูกขันน้ํานั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ ราดาเอยอยันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุขณะนั้นพระสารีบุตร นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องพระประดังแห่งพระศาสดาได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่ทิ้านักขบปริภาชกพางดำริดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้ละความยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายมีทิฏฐิและเวทนาเป็นต้นเมื่อท่านพิจารณาไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาด้วยโยนิสมนสสการจิตก็ผลจากอสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ส่วนทีฆานะกะปริพาชกนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสิ้นความคลืบคลังสงสัยในพระพุทธศาสนาทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่าเหมือนหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้มีผู้จักสุได้เห็นรูปแ ล, แล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตบัดนี้ พสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้สําเร็จอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้ย่ํายีความเมาทั้งปวงแล้วได้นําความกระหายทั้งปวงออกแล้วถอนอาลัยทั้งปวงออกได้แล้วตัดวะตฏะได้แล้วสิ้นตัณหาแล้วสํารอกราคะได้แล้วดับกิเลสทั้งปวงได้สนิทแล้วอันว่าภาวะแห่งอรหัตตผลนั้น ทำให้จิตลบเสียได้ซึ่งสมมุติบัญญัติทั้งปวงที่เคยติดใจมานานเพราะจิตได้หลุดพ้นจากความยึดมั่นในสมมติบัญญัติใดๆแล้วคงเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมมติโวหารของโลกแต่ไม่ติดไม่มีอะไรในสิ่งนั้นนั้นผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานนั้นเนื่องจากดับเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วโดยสิ้นเชิงความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมีแต่ความสุขล้นลวนเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยอา mith คือเยื่อของโลกแต่เป็นสุขและปราโมทซึ่งเกิดจากธรรมมีความเย็นฉ่ำในดวงจิตเพราะไม่ถูกกิเลสเผาหลนให้เล้าร้อนกระแสดวงจิตของท่านไม่มีความเศร้าหมองหรือความชั่วหลงเหลือเจือปนอยู่เลยความกระเสือกกระสนกระวนกระวายแห่งดวงจิตได้ดับลงสิ้นสุดลงตรงนิพพานนี้และตรงนี้เองที่ความไข้าทางจิตได้ถูกเยียวยาให้หายขาด ไม่กำเริบขึ้นอีกความระหกระเหินแห่งชีวิตในสังสารวัตรก็สิ้นสุดลงตรงนี้และตรงนี้เองที่ให้ความมั่นใจความสงบราบเรียบความชื่นสุขอันละเอียดอ่อนละมุนละไมความบริสุทธิ์และความสดชื่นที่แท้จริงแก่ชีวิตโลกียอสุขเหมือนสุขของคนไข้ที่ได้กินของแสลงมันให้สุขนิดหน่อยขณะกินเพื่อจะได้ทุกข์มากขึ้น และยืดเยื้อออกไปเมื่อมองดูด้วยปัญญาจากสุขแล้วโลกียสุขจึงเป็นของน่ากลัวน่าหวาดหวั่นระแวงไม่น่าไว้ใจเต็มไปด้วยภัยเจือไปด้วยโทษทุกนานาประการแต่ที่คนทั้งหลายชอบก็เพราะเป็นความสุขที่หาได้ง่ายและเพราะความไข้หรือความกระหายทางกิจผลักดันให้สแสวงหา ดูก่อนผู้แสวงสัจจคท่านเห็นเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างไรควรชื่นชมหรือควรเศร้าสลดคนผู้หนึ่งถูกผลักดันให้ด้านด้นเข้าไปในป่ารกมันระดับไปด้วยเรียวหนามและทางอันครุขระขณะที่กำลังเหนื่อยจนจะหมดกำลังอยู่นั้นเขาเผชิญหน้ากับช้างป่าที่รุร้ายเขาออกวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวมาเจอสะใ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายทะเลสาบน้อยๆในป่าลึกเขากระโจนลงไปในทะเลสาบน้อยๆนั้นเขาคิดว่าคงพ้นอันตรายแต่ทันใดนั้นจะระเข่ก็ปรากฏขึ้นเขากระโดดขึ้นจากน้ำรีบหนีขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้พบรวงพึ่งซึ่งมีน้ำพึ่งหยดลงมาเป็นครั้งคราวเขากำลังจะอ้าปากรองรับหยดน้ำพึ่งก็บังเอิญเหลียวไปเห็นงูใหญ่สองตัวชูคอแผ่พังผาน มองมายังเขาอย่างปองร้ายเขาตกใจจะวิ่งหนีแต่ด้วยความกระหายอยากในรสน้ําผึ้งจึงยอมเสี่ยงชีวิตอ้าปากกรองรับหยดน้ําผึ้งท่ามกลางอสารพิษทั้งสองเขาดื่มน้ําผึ้งด้วยกายและใจที่ประวันพร่านครึงดูก่อนผู้สแสวงสัจจะน้ําผึ้งท่ามกลางปากอสารพิษทั้งสองฉันใดโลกียสุก็ฉันนั้นมันอยู่ระหว่างอันตรายนานาประการ ความตายเหมือนช้างใหญ่ที่ดักหน้าคนทุกคนอยู่ทะเลสาบหรือป่าใหญ่อันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายคือสังสารวัตรพบอันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสยังไม่สิน้นอสารพิษคืออันตรายรอบด้านแห่งผู้ซึ่งติดพันอยู่ในโลกิยสุกน้ำผึ้งระหว่างปากงูคือโลกิยสุขนั่นเองโลกิยสุขน้ำผึ้งระหว่างปากงู บางคราวพระศาสดาตรัสเปรียบโลกยสุขเหมือนน้ำพึ่งซึ่งฉาบไหลอ ย, อยู่ที่ปลายศัตราอันแหลมคมผู้ลิ้มเลียโดยไม่ระวังย่อมถูกคมศัตราบาดปากบาดลิ้นอย่างแน่นอนมันเป็นภาวะที่น่าหวาเสียวน่าสะพึงกลัวมิใช่หรือความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจเพื่อไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจ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 สุขที่อยู่เหนือโลกไม่เกี่ยวกับโลกเป็นความสุขที่กเกสมปลอดภัยสงบเยือกเย็นชื่นช่ำเกินเปรียบบัตรนี้ พรสาริบุตรและพระโมฆลานะได้ถึงแล้วซึ่งสุขนี้ท่านรู้สึกเสมือนได้ถอนตนขึ้นจากลมเลนเหมือนได้ก้าวขึ้นจากกองฐานเพลิงเหมือนเคยหลงป่าอันเต็มไปด้วยอันตรายแล้วออกจากป่าได้ดำรงอยู่ในแดนที่ปลอดภัยเชื่อแล้วที่พระบรมศาสดาตรัสว่าพระนิพพานคือการกําจัดกิเลสเสียได้นั้นเป็นบรมสุข แอกคู่อันทารุณของวัตตะซึ่งครอบใจของสัมสัตว์และครูสีให้ชอกช้าระบมเสมือนแอกคู่บนคอโคตัวที่เดินเวียนอยู่ในทุ่งกว้างบัดนี้ได้ถูกปลดออกแล้วอะไรเล่าคือแอกคู่นั้นมันคือความเป็นคู่แห่งโลกิยธรรมซึ่งครอบงำจิตใจของโลกีชนอยู่เช่นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุข และทุกข์ความสมหวังผิดหวังเป็นต้นตราบใดที่บุคคลยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความเป็นคู่แห่งโลกิยธรรมนี้ตราบนั้นดวงจิตของเขาจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้ดวงจิตของเขาจะไม่ได้รับอิสระเสรีเขาจะต้องมีดวงใจที่ชอกช้ำระบมเดินวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏภายใต้การครูดสีของโลกิยธรรมเชกเช่น โคคู่เดินบนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างพร้อมกับการครูดสีของแอกบนคอโคที่ได้รับการปลดแอกแล้วย่อมมีเสรีภาพเบาสบายท่องเที่ยวไปในที่โครจรได้ตามใจปรารถนาฉันใดบุคคลผู้ปลดแอกคือโลกิยธรรมนี้ออกจากใจของตนได้แล้วฉันนั้นย่อมได้พบเสรีภาพทางจิตอันหาขอบเขตมิได้ มีความสุขสงบอย่างลึกล้ำแกมใสเบิกบานสุดประมาณแม้ร่างกายจะยังอยู่ในโลกแต่ใจของเขาอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตรจิตคือจิตที่ถอนออกจากอารมณ์ของโลกได้แล้วสงบนิ่งไม่ขึ้นลงอันโลกิยารมณ์จะทำให้วันไหวมิได้เสมือนสิงโตราชาแห่งสัตว์ไิได้สะดุ้งวันไหวด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพร ท่านไม่ติดในลาบยศนินทาและสันเสริญเสมือนลมไม่ติดตาข่ายใบและดอกของปฐุมชาติไม่ติดน้ำดำรงตนอยู่ในโลกอย่างอิสระเสรีอย่างแท้จริงอันอะไรอะไรครอบงำไม่ได้ช่างน่าปรารถนาอะไรเช่นนั้นอ่าอรหัตผลยอดแห่งคุณธรรมของเทวดาและมนุษย์